พระธรรมเทศนาแผ่นที่70ลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่28ธันวาคม2557มีชื่อเรื่องว่าเปลี่ยนนิสัยใหม่ตอนนี้ไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะมีอะไรจะเล่าเล่าหรือพูด ให้กับพวกเราทำไมวันนี้จึงมีงานหรือว่าเรื่องพวกเราเห็นคนเยอะถึงขนาดนี้แต่หลวงพ่อเห็นแล้วก็ปลื้มใจเห็นคณะสัพทา ญ, ญาตโยมลูกหลานเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วว่าให้ความสนใจเกี่ยวกับการสร้างบุญสร้างกุศลและก็พร้อมกันวันนี้มีหลายเรื่องที่ที่ให้พี่น้องประชาชน สนใจก็คือส่วนหนึ่งก็คือปีเก่าที่จะขยับไปถึงไปหาปีใหม่อันดับที่สองก็คือเราได้นัดกันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนทุกเดือนพวกเราจะได้ทำบุญที่สวนแสงธรรมอันดับที่สามก็คือเราจะได้หลอลูกเหมือนองค์หลวงตาในวันนี้เพราะนั้นมีงานหลายๆอย่างที่ ประเดปรดังเข้ามากันล้วนแล้วแต่เป็นงานมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลสำหรับพวกเรางานของพวกเราต่อไปเมื่อพระสงฆ์ก็จะอนุโมทนาให้พรเมื่ออนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ก็จะฉันพัาหารเมื่อฉันพัฒหารเสร็จเรียบร้อยกับ ส, สัทยายาตโยก็รับทานอาหารนะขณะที่พระสงฆ์ อาจารย์พรตาหารพวกเรากนรับทานอาหารตามอัธยาศัยเมื่อรับทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีาการถวายผ้าป่าเหมือนทุกครั้งการถวายผ้าป่าคื อ, คอมอีจุดประสงค์อย่างที่อาจารย์เจริญโคศกที่พูดว่า เ, าเพื่อสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์แล้วก็เพื่ อ, อวิทยุเสียธรรมขององค์หลวงตา จากนั้นก็มีการทอดผ้าป่าถวายเจตุปัจจัยพระสงฆ์ที่มาร่วมมาในงานในวันนี้และก็พร้อมกันเมื่อผ้าป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วขอขอให้พี่น้องประชาชนนั่งประจําทีเา่เพื่อจะได้เตรียมหล่อลูกเหมือนองค์หลวงตาเพื่อเป็นสิริมงคลไม่ใช่ต่หลอ่อล้อมทองเท่านั้นนะพวกเราหลอ่อล้อมน้ําใจให้รวมเป็นหนึ่งเดียวนะเพื่อบูชาพระคุณหลวงตา หลวงพ่อือคณะสงฆ์จะสวดพาสวดอิติปิโสเก้าจบนะทำไมจึงสวดเก้าจบเพราะว่ามรซีผลซีเนี่ยเป็น8นะนิพพานหนึ่งเพราะนั้นเราจึงสวดเก้าจบเพื่อบูชาพระคุณอขององค์หลวงตาของพวกเราเมื่อสวดอิติปิโสจบเก้าจบแล้วแล้วก็จะมีการเททองและกับพระสงฆ์จะสวดชัยยมงคดคาถา เอสยันโตโพธิยานะเอจากนั้นก็เททองอพระพระเททององหลวงตาทองรูปเหมือนของหลวงตาองค์นี้คุณชายป๋ำที่นั่งอยู่ข้างๆหลวงพ่อบอกว่าสวนแสงธรรมตึกหลังนี้แหละอาคารหลังที่พอเรานั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยข้างบนเป็นห้องสมุดและเป็นห้องธรรม เ, เป็นห้องธรรมะธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์แต่ยังไม่มีรูป ของหลวงตานะก็เลยจะหล่อลูก อ, องค์นี่แหละองค์รูกทองนี่แหละจะขึ้นไปปฏิสถานนั่งอยู่บนห้องอห้องธรรมมัช เ, เมื่อพวกเราผู้ใดใครก็ตามเมื่อไม่มีพระสงฆ์เข้ามาอยู่ข้างล่างนี้พวกเรามาตอนบ่ายหรือว่ามาตอนอามาลนหลายๆคนคือจะไปห้องศึกษาธรรมะคือเข้าไปนั่งภาวน า, าต่อไปก็คงจะ ติดแอ ร, รอ์หรือว่าจะให้เป็นสําหรับห้องปฏิบัติธรมรมหลวงพ่อว่าก็จะดีนะเพราะว่าหลวงพ่อเองนะมาอยู่ที่นี่มาหลายครั้งนะไม่เคยขึ้นไปข้างบนนะแต่เมื่อวานมีการประชุมหารือเกี่ยวกับเจดีก็พระสงฆ์ก็เลยนิมนต์ขึ้นไปประชุมกันอยู่ที่ห้องนะหลวงพ่อจึงไปเห็นโอ้ห้องนี้เหมาะนะเหมาะสําหรับลูกหลานที่ผู้สนใจใฝ่ในการภาวนาปฏิบัติ แต่ร้อนไปหน่อยแต่เราปรับปรุงความร้อนก็ได้นะใส่แอร์เข้าไปสักหน่อยจากนั้นก็ให้พวกเราก็เห็นหลวงตานั่งสมาธิพวกเราลูกหลานทั้งหลายก็มาฝึกนั่งสมาธิกับองค์หลวงตาก็ล้วนแล้วจะเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งนะและก็พร้อมกันวันนี้ถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้พูดเรื่องเกียวกับพุทธศาสนาหรือว่าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้า พวกเราก็คงจะขาดไปเพราะว่ามันช่วงปีเก่าที่ขยับไปปีใหม่เพราะนั้นหลวงพ่อเองอยากจะย้ำเตือนพวกคณะทายาิโยมลูกหลานทุกๆ ท, ท่าน ว, ว่าพวกเราจะปรับปรุงปรับปรุงกายวาจาใจของเราอย่างไรตั้งต้นอย่างไรเราจะทำตนอย่างไรในปีใหม่ที่จะถึงนี้และกับปีเก่าที่ผ่านมาพวกเราได้ นึกทบทวนย้อนหลังเหมือนกับเราทํามาค้าขายขาดทุนกําไรอย่างไรเมื่อปีที่แล้วน ะ, ะแล้วก็ปีนี้ปลายปีหน้าเนี่ยเราจะตั้งต้นอย่างไรอันนี้ก็คื อ, อพ่อค้าวานิชทั้งหลายเขาต้องคิดอย่างนั้นอันนี้พวกเราก็เหมือนกันนะดำรงชีวิตมาอย่างหลวงพ่อเนี่ยอายุปีนี้70ปีก็ น, นึกย้อนหลังว่าปีที่ผ่านมามีอะไรบ้าง ที่มันขาดตกบกพ่องแล้วปีต่อไปเราจะปฏิบัติ <c oughs> ดำเนินชีวิตของเราอย่างไงอย่างนี้แหละอันนี้ก็อยากจะกล่าวต้้าย้าเตือนให้คณะสัตย า, ญญาติโยมทุกๆท่านให้นึกย้อนดูหลังของตนเองอ้าว่าการที่ปีที่แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรเราควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรอันนี้ก็คือ พ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อได้ฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาเมื่อไม่นานก่อนลงมาหลวงพ่อค่อยึอ้เออย่างหลวงปู่คาดีนะหลวงหลวงตามาหาบัวท่านยกนะท่านยกบ่วหลวงปู่คาดีตะก่อนเป็นคนโมโหโกรธคล้ายๆก็ไม่พอใจอะไรดิเนีย่ยดุด่าว่าเก่าวแต่วันหนึ่งท่านได้ผ้าขาวมาท่านก็ตัดตัดผ้าขาวให้สัมภารณ์ เป็นคนเย็บใครจะเย็บตัดผ้าแต่นี้พอสมมาเรเย็บเย็บมันเย็บผิดเหมือนกันนะพอเย็บผิดท่านี้หลวงปู่คาดีที่เป็นอาจารย์ เ, เหตุผ้ามันเย็บยังไงมันเย็บผ้ายดิมันทํา ไ, ไม่แม่ถามหมู่พวกเพื่อนนะลักษณะฉุนเฉียวนะท่านก็ฉีกผ้าต่อหน้าสมมาเรนะที่มันเย็บผิดสมมาเรนพอเห็นอาจารย์ทำแบบนี้ก็ร้องให้ต่อหน้าพอต่อร้องให้ต่อหน้า ถ้าท่านลูกปูค่คาดีท่านบอกโอ้เราได้เกินไปเสีแล้วไม่น่าจะทําอย่างนี้ต่อ น, นี้ไปเราจะไม่ให้เกิดอย่างนี้เกิดขึ้นอีกกับเราเราจะต้องใช้อน้ำน้ำใจหรือว่าเขาต้องมองดูน้ําใจของคนอื่นเขาเราจะไม่ทําอีกจากนั้นท่านก็ปรับปรุงตัวของท่านเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นคนละคนเน่ยอันนี้หลวงตามหาบัวท่านพูดนะ อันนี้พวกเราก็เหมือนกันนะคณศสัตยาติโยมทุกมูลเหล่าใครก็ตามท่านผู้ใดก็ตามนี่มีนิสัยโมโหโกรธาแต่วัดมองดูแล้วมันไม่ดีวะมันเสียหายไง เ, เราก็ควรจะปรับปรุงแก้ไขเหมือนกับหลวงปู่คําดีประพาโซที่จังหวัดเลยเนั่นแหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายว่ามองดูท้างหลังเป็นยังไง แต่พร้อมกันหลวงพ่อเองก็อยากจะย้ําเตือนเมื่อวานก็ได้พูดเกี่ยวกับทิศ ท, ทั้ง6นะทิศ ท, ทั้ง6แต่หลวงพ่อได้พูดแต่วันนี้ก็อยากจะย้ําอีกเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะว่าพี่น้องประชาชนจัตยาญาติโยมเยอะเละอเกินและก็พร้อมกันเวลามาใส่บาตรหลวงพ่อก็เห็นผู้สูงอายุเต็มไปหมดเห็นแล้วก็ปลื้มใจเพราะว่าได้พ่อลูกลกนั้นหลานทั้งหลาย ได้นำผู้สูงอายุมาเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็พร้อมกันพาปุยาตายายมาตักบาตรทาบุญหลวงพ่อเห็นแล้วก็เอ อ, เ, อ, อเป็นแนวทางที่ดีพวกลูกหลานทั้งหลายให้ความสำคัญให้ความเคารพในพระคุณหรือว่าบุพภกคารีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนคือพ่อแม่ปุยาตายายของพวกเราเออนี่แหละอันนี้หลวงพ่ออยากจะเน้นย้าเรื่องเทศทั้งห ความเป็นมาของทิศทั้ง6เนี่ยคือพวกเราให้ปฏิบัติถูกต้องต่อทิศทั้ง6มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าว่าพวกเราปฏิบัติ ต, ต่อทิศทั้งหกขาดตกบกพร่องพวกเรามีโอกาสที่จะถึงความหายนะคือความจิบหายในการดํารงชีวิตของพวกเราอันนี้คือพระพทุทธเจ้าท่านเทศนาว่าการพระสงฆ์ที่อยู่เบื้องในข้างในที่ผู้ตัดกิน ตัดทางโลกออกมาแล้วเป็นนักท้อนักบวชท่านก็สอนว่าให้ภาวนาอย่างนี้ให้มีอริยสัจ ส, สีทุกสมุทัยนิโรธมรรคให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายอย่ามาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารอันนี้ก็คือท่านสอนพระสงฆ์แต่สําหรับคราวาสญาติโยมทั้งหลายที่ดารงคราวาสจะให้ทําอย่างพระสงฆ์คงไม่ได้เพราะพระพองค์ก็สอนอีกในระดับหนึ่ง ว่าการเป็นอยู่ของพวกเราจะวางตัวยังไงจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมในการเป็นอยู่ในกลุ่มในหมู่ในคณะในครอบในครัวของพวกเราอันพระพุทธเจ้าท่านก็สอนสอนว่าให้เคารพคารวะทิศ ท, ทั้งหเนคราวหนึ่งพระพทุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์วัดป่าเวลวันฮ่ยคือเมืองของพระเจ้าพิมพิสารพวกเรา ถ้าไปแต่ถ้าไปอินเดียเราคงจะเห็นดอยคิสกูนั่นะอันนั้นะคือเมืองของกรุงราชคอของพระเจ้าพิมพิสารพระองค์เสด็จประทับอยู่ที่วัดป่าเวลุวันวันหนึ่งพระพุทธองค์ได้มองดูสัตวโลกคือตอนจวนสว่างพระพุทธองค์จะเข้าฌานสมาบัติแล้วก็ตรวจตราดูในขอบจั ก, กรวาลโลกทั้งโลกว่าท่านผู้ใดที่ จะให้พระพธองค์ไปช่วยหรือเมตตาไปแนะนําบอกกล่าวท่านผู้นั้นคือผู้ที่เข้าข่ายที่พระองค์จะเมตตาได้ในพระองค์ก็มองดูรอบก็มาสิงขาลมานพที่กรุงราชสกเข้ามาในพยานคือเข้ามาในข่ายคือจอเลดา้าของพระพุทธเจ้านะพอพระพุทธเจ้าท่านมองเมื่อจอเลดา้าสายไปรอบๆ เห็น <One> ส <input> in so ิงคาลมานบอยู่ในข่ายมาเข้ามาในข่ายพระองค์เอเรื่องอะไรพระองค์ก็รู้ว่าโอ้สิงคาลมานบนี่เป็นเด็กดีเป็นคนดีแต่ว่าเป็นลูกของเศรษฐีในกลุงราชสกุลพอเป็นหนุ่มขึ้นมาผู้พ่อก็เห็นว่าที่จะรำลงเรื่องบริหารห้างร้านหรือว่าบริหาร กิจการของตอนเองได้คือส่งลูกชายคนนี้ไปเรียนเมืองตกนะกะเซลาเมืองตกนะกะเซลาเนี่ยเป็นเมืองวิชาสมัยก่อนเก่านะคือทุกวันนี้ก็คือเมืองทาริบันนะคณะทนะายาทโยมที่หลวงพ่อซีบสอบดะ ว, ว่าเมืองตกตะกะเซลาเก่านะั่นคือเดี๋ยวนี้คือเมืองทาลิบันเนะี่ยแต่ี่ขั้นก็ส่งไปเรียนนำไปเรียนกับทิศปะโมกอาจารย์พอเรียนจบ ในวิชาเรื่องการบริหารจัด ก, การเรื่องทรัพย์สมบัติเพราะท่านพ่อของท่านเป็นเศรษฐีในกรุงราชคือพ่อท่านเสร็จเรียนจบแล้วก็กลับมาพอกลับมาในช่วงนั้นพ่อของท่านก็ป่วยหนัก อ, อ, อาการหนักพ่อเห็นลูกชายเข้ามาแล้วก็ เ, เรียกลูกชายเข้ามาใกล้แล้วก็จับมือลูกชายแล้วก็สั่งเสียนะเพราะว่าพ่อเนี่ย อ, อ, อาการหนักแล้วป่วยหนักบอกโอ้ยลูกเอ้ยพ่อนี่คือจะคงจะไปไม่รอดละคราวนี่ ขอให้ลูกช่ว ย, วยให้โลกดูกิจการงานของกิจครอบครัวของเราเนอแล้วก็ให้ดูสั่งเสียถ้าสังเสียเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อก็สั่งว่าโลกผู้ที่จะบริหารจัดการไปด้วยดีเนี่ยต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพศักดิ์รีทิศ ท, ทั้งหก เคารพเคาะรวะอ่อนน้อมอกราบไหว้ทิศทั้งหกนะจึงจะเป็นผู้เจริญในหน้าที่การงานถ้าหากว่าไม่เคารพคารวะอ่อนน้อมต่อทิศทั้งหกแล้วจะหาความเจริญไม่ได้นะลูกนะอันนี้ขอพ่อขอสั่อไม่มีอะไรที่จะพูดมากกว่านี้เพราะว่าพ่อคงไม่นานแล้วเพราะว่าท่า น, นพ่อคงจะอัดอั้นตันใจไม่นานพ่อก็เลยได้จากไปมรณะลงไป พ อ, อเมื่อพ่อมรณเรือตายไปแล้วทนี่โทางลูกชายเนี่ยก็พ่อสั่งว่ากิจการงานอย่างอื่นและก็พร้อมกันที่อยากจะให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนั้นให้เค า, ารพคารวะอ่อนน้อมต่อทิศ ท, ทั้งหกนี่แหละคำนี่แหะคือก้องอยู่ในหูและกล้องอยู่ในใจของออสิงขาลมานพจากนั้นสิงขาลมานบก็จัดการงาน ศพของพ่อพร้อมกับวงสาคนายาติสมเกียรตเิเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วสิงขารมาโนปก็ว่าพ่อบอกว่าให้เคารพกราบไหว้ออด น, น้อมอกราบไหว้ทิศทั้งหแต่นี้สิงขารมาโนปก็หาโอกาสออกมาข้างนอกตามชายทุ่งหรือชายท้องนาที่ว่างๆคนริมสนามอย่างนี้แหล ะ, ะจากนั้นสิงขารมาโนปก็ยกมือไหว้ทิศตะวันออกยกมือไหว้ทิศตะวันตก ยกมือไหว้ทิศเหนือยกมือไหว้ทิศใต้ยกมือไห ว, ว้ลงแผ่นดินยกมือไหว้ขึ้นบนอากาศครบหกพอดีทำอย่างนี้ไม่ได้ขาดฟ้าตกฝนลงหิมะหนาวขนาดไหนก็เถอดนะสิงขาลมานบเขาจะทำโดยสม่ำเสมอไม่ให้ขาดเพราะเหตุไรเพราะว่าพ่อสั่งว่าให้เคารพคารวะทิศทั้งหกจึงจะเจริญต่อมาเขาก็ทำอยู่ตลอดแต่เมื่อพระพุทธเจ้า ท่านอยู่ที่วัดป่าเวลุวันอย่างว่าท่านเข้าฌานธรรมบัตรท่านก็สายมองดูเห็นสิงขารมานพการทําอย่างนั้นมันไม่ถูกตามโบราณการคือตามบัณฑิตนักปราชญ์เขาแนะนําสั่งสอนกันพระรงองค์ก็ออกปินทวัดไปโปรดไปโปรดสิงขาลมานพมีท่านพระอานนท์เป็นผู้เดินตามเรียกว่าปัจฉาสมณะเรียกว่าเป็นผู้เดินตา ม, ตามพระพุทธญาติพอเดินไปไปเห็น สิงคารมาโนกกาลังยกมือไหว้ประหกหน้าประหกหลัง เ, เพราะว่าท่านแสดงความเคารพในทิศทั้งหกพระองค์บอกว่าสิงคารมานกกุมารมานพเธอทําอะไรมานพก็บอกว่าข้าพระพุทธเจ้านอบน้อมกราบไหว้คารวะทิศทั้งหกพระเจ้าขา่าพระองค์บอกว่าใครเป็นคนแนะนําสอนท่านบิดาของขา้าของข้าพระองค์ขับผมเพราะบิดาก่อนที่ท่านจะจากไปท่าน บอกให้เข้ากับผมปฏิบัติอย่างนี้พระพุทธองค์ถามว่าในความหมายนั้นเธอได้ถามไหมว่าบิดาเนะี่ยมีความหมายว่ายังไงไม่ได้ถามครับผมท่านสองสั่งอย่างนี้กับผมก็ปฏิบัติตามพระพุทองค์บอกว่าสิงคารมานพ ก, การทำอย่างนี้ไม่น่าจะถูกตามบัณฑิตนักปราชญ์ที่เขาแนะนำสั่งสอนกันมาแต่โบราณ น, นักการถ้าหากว่าเธออยากจะศึกษาไหมถ้าจะศึกษานั้น เราจะสอนใหเ้เราจะแนะนำบอกกล่าวให้ฟังสิงขารละมานพเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาอยู่แล้วเป็นเด็กดีอยู่แล้วเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่แล้วใฝ่ในการศึกษาอยู่แล้วครับผมยิน ด, ดีก็ผมจ ะ, จ ะ, จ, ะจะศึกษาพระองค์บอกว่าสิงขารละมานพบัณดิตนักปราชญ์เขาสอนกันในอดีทยาวนานมาเขาบอกว่าเทิศเบื้องหน้า คือเราเกิดมาทีแรกลืมตาขึ้นมาก็เห็นพ่อเห็นแม่คือเบื้องหน้าของเราเนี่คือพ่อแม่ของเราพ่อแม่ของเราเนี่ยคือทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาควรปฏิบัติลลกหญิงลูกชายควรปฏิบัติตนอย่างไรต่อทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาของตนเองเอท่านบอกว่าเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ ทำกิจโทระของท่านดํารงวงศกุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์หมรลอดเมื่อท่านร่วงรับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คื อ, อ, อทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังสามีภรรยาให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอย่าไปก้ํากายกันอย่าไปนอกอกนอกใจกันให้รักเมตตากันอันนี้คือทิศเบื้องหลังทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ พูดคนเราเกิดมาก็ต้องมีครูมีอาจารย์อย่างพ่อแม่ก็เป็นบุคคาจารย์เป็นอาจารย์ของบททีิลาทีดาแนะนำสั่งสอนก่อนใครอื่นทั้งหมดแนะ น, นำลูกของตอนเองอันนี้ถือว่าบุคคาจารย์จากนั้นกระสงเข้าโรงเรียน อ, อนุบาลประชาบ้านมัธยมปฐมปริ ญ, ญาตรีโทเอกจากนั้นก็สอนวิชาอาชีพให้อันนี้ล้วนแล้วจะเป็นครูบาอาจารย์ ทั้งหมดเราจะศึกษาเรื่องอะไรอย่างพวกพระสงฆ์งนี่ก็ไปมาศึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฝ่ายพระสงฆ์เนี่ยและวิชายอย่างอื่นก็มีตั้งอีกเยอะแยะล้วนแล้วจะเป็นครูบาอาจารย์ให้ความเคารพไปครูบาอาจารย์อันนี้คือทเทศเบื้องขวาอาจารย์ทิตเบื้องซ้ายมิตรสหายคนเราก็ต้องมีหมู่มีเพื่อนมีพักมีพวกปีกกรายนานมิตรอย่าไปครอบคนเร็วถ้าคบวบคุมเรียนออกปาปามิตร ถ้าครบคนดีระ้ว่ากการอนุญาะน้ำมิดให้คบคนดีอันนี้คือทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายคนเราต้องมีหมู่มีเพื่อนมีมิตรมีสายที่ดีจึงจะเจริญในหน้าที่การงานได้อันนี้ก็คือทิศเบื้องซ้ายมิดทิศเบื้องต่ําคือลูกน้องบริวารคนใช้คนงานคนรับใช้ลูกน้องของเราเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีเขาตกทุกข์ได้ยากอย่างไรเขามีความเดือดร้อนเรื่องอะไร เราผู้เป็นเจ้านายเราต้องมองเขาดูเขาในเมื่อเราดูเขาดูแลเขาให้ความอบอุ่นกับเขาเขาก็ช่วยเหลือเจ้านายดีครอบครัวของเราตัวของเราก็มีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะลูกน้องดีนะถ้าหากว่าเราไม่ให้ความใส่ใจกับลูกน้องลูกน้องก็ไม่ให้ความสใส่ใจเจ้านายเหมือนกันผลในสุดเราจเดเดือดร้อนลูกน้องก็เดือดร้อนเจ้านายก็เดือดร้อนหาความสุขไม่ได้อันนี้คือทิศเบื้องต่ําบา คิดเบื้องบนส ม, มณะพราหมณ์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาสู่วัดวาศาสนาอย่างวันนี้แหละพอเข้ามากับหลวงพ่อเองถือว่าเป็นส ม, มณะพราหมณ์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวคณะ ท, ะทาญาติโยมลูกหลานอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรอันนี้ถูกต้องอันนี้ไม่ถูกต้องอันนี้เป็นบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นะอย่างหลวงพ่อต่อไปนี้ทานว่าเมื่องานจะจบลงไปในหลวงพ่ออาจจะแจกหนังสือบ้างแจกหนังสือสวดมนต์บ้าง ให้พวกเราได้ไปฟังเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เมื่อเราเข้ามาสู่วัดวาสนาเนี่คือสมณพราหมณ์สมณพราหมณ์จะเป็นผู้แนะนําไปในทางความสุขความเจริญทางด้านจิตด้านใจเพราะฉะนั้นสิงขาลมานพเธอทําที่ยกมือไหว้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนไม่น่าจะถูกถ้าหากว่าเธอทําอย่างที่เราตถาคต บอกกล่าวนี่คือเป็นความโบราณนการเขาสั่งสอนกันมาคือทิศทั้งหกทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องต่ําลูกน้องบริวารทิศเบื้องบนสําระพราหมณ์ถ้าหากว่าเธอปฏิบัติถูกต้องต่อทิศทั้ง6กอ่อนน้อมถ่อมตนต่อทิศทั้ง6ปฏิบัติถูกต้องต่อทิศทั้ง6 มีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวฮะอันนี้ก็คือขอฝากไว้กับคณะสัตย า, าติโยมลูกหลานทุกๆท่านนะอันนี้คือพรปีใหม่สําหรับพวกเราปีที่แล้วหลวงพ่อก็พูดนะปีนี้หลวงพ่อก็ย้ําอีกว่าพวกเราควรปฏิบัติต่อบิดามารดาครูปรีชาอาจารย์ของพวกเราอย่างไรถ้าพวกเราปฏิบัติถูกต้องแล้วรู้จักสถานะของตนแล้วนะพวกเรามีแต่ความเจริญมีแต่ความผาสุก ในการเป็นอยู่ของพวกเราและอีกอย่างหนึ่งหลวงพ่อขอเน้นย้าว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาบาปปูนคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีตายแล้วไม่สูญไอ้คำนี้ให้ พ, พวกเราท่านทั้งหลายฟังไว้ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกองหลวงตาของเราที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราฟังเถอะในธรรมเทศนาของท่านท่านจะเน้นหนักเรื่องจุดนี้มากๆตายแล้วไม่สูญ นรกสวรรค์มีเพราะนั้นพวกเราอย่าทําสิ่งที่มันไม่ดีที่หลวงพ่อยกเป็นพุทธภาสิต ท, ที่พระพุทธเจ้าให้โอวาตปฏิโมกพระสวงค์ว่าอ ก, กตังลุ ก, กตังเซโยปัชชาตปฏิลุ ก, กตังกรรมชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทําเสดลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแล้วกรรมชั่วให้ผลพวกเรานั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่า สิ่งไหนที่มันไม่ดีนะลูกหลานนะครับนักสัตยายาโจบนะอย่าทำและก็พร้อมกันที่ว่าตายแล้วเกิดอีกทําไมเอาอะไรมาพูด อ, อ, อันนี้ให้เราศึกษานะศึกษาหลวงพ่อจะเน้นหนักให้ฟังเลยว่าวิธีการศึกษานะี่คือทําสมาธิอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ทํามกายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก เมื่อหายใจเข้าหายใจออกจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งนิ่งนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายนะเป็นคนละอันกันนะหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบ พ, พวกเราใช้รถมาที่นี่โลกก็ต้องใช้รถหลวงพ่อบอกว่าร่างกายเหมือนกับรถนะลูกหลานนะการศรัทธาญาติโยมแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถน ะ, ะรถกับคนขับรถนะรถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับ พนะระพุทธเจ้าให้ความสําคัญโซเฟอรนะ์มากกว่ารถท่านว่าถ้าหากว่าโซเฟอร์นิสัยดีมีคุณภา พ, ม, ภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจ ร, ริยธรรมที่ดีแล้วนะขับรถคันนี้ไปรถคันนี้ก็มีมลรยานแต่หาว่าคนโซเฟอร์โมโหโกรธนิสัยไม่ดีอาจจะหักเหยียบคันเร่งอาจจะหักพวงมาลัยลงหน้าผาหน้าเหวก็ได้ชนต้นไม้ก็ได้ชนคนก็ได้บีบแก๊สด่าคนตลอดทางก็ได้เพื่ออไร เพราะโซเฟอร์นิสัยไม่ดนะีเพราะฉนั้นสมควรยิ่งโซเฟอร์จะต้องได้รับการอบรมเอากุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจนั่นแหละเมื่อตายไปแล้วรถคันนี้พังแน่แน่เอาเผาไฟทิ้งแน่แนเอาเข้าสู่เมรแน่แนแต่นามธรรมาคือจิตใจดวงนั้นคือโซเฟอร์อนะอกจากร่างนะไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆได้นี่แหละให้พวกเราศึกษานะให้ศึกษาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา เพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะสัตยา ญ, ญาติโยมแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อก็เหนื่อยพอแรงเหมือนกันนะแต่ว่า อ, อยากจะบอกกล่าวเพราะว่าสัตธา ญ, ญาติโยมวันนี้เยอะเลืเกินถ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ไม่พูดไม่กล่าวอะไรให้ฟังซะเลยเต่างคนก็ต่างมาก็ไม่ได้มีแนวความคิดเพราะฉะนั้นหลักของพุทธศาสนานควรจะแนะนาบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษา ตอต่อหนี้ไปหลวงพ่อกับคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรเมื่ออนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ก็ฉันพัฒนารพวกเราก็ทับรับทานอาหารตามมรรทยาศัยนะจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วก็มีการถวายผ้าป่าเมื่อถวายผ้าป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราให้มารวมกันมารวมกันแล้วก็พวกเราก็จะได้สวดอิธิปิโสนะผู้สวดอิธิปิโสเก้าจบ จากนั้นก็อาจจะมีการเททององค์หลวงตาพวกพวกเราจะได้หล่อหลอมจิตใจสิทธิอนุสิทธิของพวกท่านให้เป็นหนึ่งเดียวนะในการสวดทิฏิปิโสจากนั้นเราก็จะได้หล่อองค์หลวงตาเพื่อเป็นสริเพื่อเป็นมงคลพวกเราจะได้กราบไหว้รูปเหมือนของหลวงตานานเท่านานนะต่อ น, นี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรนะัตตินนะ